พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกใจของพวกเราก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะ จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเช่นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดสโรและเสด็จดับขันธะปาินิพานไปแล้วพระอริยสงฆ์สาวกแต่ละพระองค์ก็โผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็ตายไปจากพวกเราไป ถ้าทาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะค่อยสูญไปค่อยหมดไปอย่างที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าห้าพันปีก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วนี่คือสาระที่เพิ่งไายนอวใจ ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้เป็นที่พึ่งที่ท้าวอนพวกเราไม่ควรที่จะไปหลงยึดติดอยู่กับที่พึ่งภายนอกใจควรที่จะเข้าหาที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงนี้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ภายในใจที่เกิดจากการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นพระอริยสัจ ส, สี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธนนักขึ้นมาภายในใจ พอได้เห็นธรรมนี้แล้วก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าและผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ศึกษาแล้วนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เป็นพระอาริยสงสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงค์เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในใจนั้นเองที่เพื่งนอันนี้จะไม่มีวันที่จะเสื่อมไม่มีวันที่จะหมดไปถึงแม่ร่างกายนี้ตายไป ที่พึ่งนี้ก็ไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกายเพราะที่พึ่งนี้อยู่ในใจนั่นเองผู้ใดที่ได้ที่พึ่งนี้แล้วก็จะปลดจากความทุกข์ไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพนิพพานผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรม เป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพานแสงสว่างแห่งธรรมอันนี้จะนำพาดวงจิตดวงใจไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตามลำดับตามขั้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดกันฟะ อริยสงสารวกนี้ก็มีสี่ขั้นขั้นพระสสดาบันคือขั้นแรกขั้นที่เห็นธรรมเห็นเห็นสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนปล่อยวางไม่มีความปรารถนาที่จะอาศัยเป็นที่พึ่ง เพาเป็นที่ซึ่งได้ชั่วคราวเวลาที่ซึ่งนั้นหมดไปก็จะลอยเคลื่อนควางเหมือนคนที่ลอยอยู่ในน้าถ้าเรือล่มเรือจมไปก็ต้องลอยคออยู่กลางทะเลถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องจมจมน้ำตายไปพอได้เห็นธรรมขั้นแรกนี้แล้ว ก็จะรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อคำทำขั้นที่สูงขึ้นไปคือขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานนี้แล้วย่อมไหลไปตามกระแสนี้และจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่เริ่มเข้าสู่กระแสคือพระโสดาบันสำหรับผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสและได้ไหลไปตามกระแสนี้จนถึงขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีก็จะเหลือพบชาติอยู่เพียงพบเดียวถ้าไหลเข้าไปสู่พระอนาคามีได้ ก็หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดในกามะพบได้เพราะผู้ที่ได้บรรลุขั้นอนาคามีนั้นได้ละกามะตะัญหาการมราคาได้อย่างสิ้นเชิง mm. ก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือในการเสดกรรมนั่นเองแล้วก็ จากนั้นก็จะไหลขึ้นสู่ขัน้นพาาระอรหันต์ไปก็จะได้ไปถึงพระนิพพานในที่สุดนี่คือเรื่องของการมีสาระมีที่พึ่งที่แท้จริงภายในใจจะทำให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไปตามลำดับ และหมดสิ้นไปในที่สุดนี่คือที่พึ่งที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาให้ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจนี้เปรียบเหมือนเป็นสะพานเชื่อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจจะว่าไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่ มีคนมีประโยชน์มากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจเราจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจได้เลยเพราะเหมือนกับไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำนั่นเองถ้าเราอยากจะข้ามฟากไม่มีสะพานข้ามเราไหว้น้ำไม่เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามได้ เช่นรถยนต์นี้ต้องมีสะพานถึงจะข้ามฟากได้ฉันใดจิตของพุทธชนทั้งหลายที่อยากจะข้ามฟากของวัตะสงสารคือวัะวุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏนี้จำเป็นจะต้องมีสะพานที่จะเชื่อมให้ออกจาก โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าไปสู่โลกของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดคือเข้าไปสู่พระนิพพานนั่นเองดังนั้นการที่บอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญไม่มีประโยชน์ เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสำหรับสัตว์โลกที่ยังไม่สามารถข้ามฟากไปได้จำเป็นต้องอาศัยสะพานนี้พาให้ข้ามฟากไปได้เพราะถ้าไม่มีสะพานนี้แล้วสัตว์โลกก็จะไม่สามารถที่จะข้ามฟากไปได้ยกเว้นผู้ที่มีความสามารถอย่างพระโพธิสัตว์ที่จะสามารถสร้างสะพาน ขึ้นมาได้ด้วยตนเองแล้วก็ข้ามฟากไปได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ผู้อื่นที่ไม่มีสะพานได้มาอาศัยสะพานของพระโพธิสัตว์ที่ได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้มาใช้กันถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกจัดโลกทั้งหลายอย่างพวกเรา ก็จะไม่สามารถที่จะข้ามฝากไปสู่พระนิพพานกันได้แต่ต้องติดอยู่กับภากนี้คือภากแห่งการเวียนว่ายตายเกิดภากของสังสารวัฏดังนั้นการที่พูดว่าพระพุทธธรรมพระสงค์ไม่ใช่ที่มีอยู่ภายในอกใจไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็เพราะว่า พรพุทธธรรมประสงค์ที่อยู่ภายนอกใจก็อยู่ภายใต้กฎของตายักคือจะต้องมีการเจริญมีการเสื่อมไปเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงประกาศธรรมคำสอนยุคนั้นก็เป็นยุคของความเจริญของพระพุทธของพระพุทธเจ้าแต่45ปีหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จดับขันธ์ปารณิพานไป ที่เพิ่งในพระพุทธเจ้าก็หมดไปแต่ก็มีที่เพิ่งมาทดแทนอยู่สองส่วนคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดไว้ว่าจะเป็นาศาสดาแทนต่อไปแทนพระพุทธเจ้าต่อไปแล้วก็มีพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจก็สามารถเป็นที่พึ่งต่อไปได้แล้วก็เป็นที่พึ่งมากันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้คือสองพันห้าร้อยก่ปีมาแล้วก็มีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมากันตามลาดับไม่ขาดตอนแต่ ก็จะมีวันสักวันหนึ่งที่จะต้องมีวันหมดไปเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อการบุกพ้นสมัยนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้เลยฉะนั้นจะว่าจะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะมีไปต่อไปอย่างตลอดนี้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะ ความจริงในประวัติศาสตร์ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพระโพธิสัตว์คือสัมณัโกตมะไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์องค์ก่อนเป็นที่พึ่งเป็นผู้นําทางไม่มีพระอาลัยสงสารโลกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน มาคอยสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้ามันก็แสดงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจในยุคนั้นได้หายไปหมดแล้วแต่ก็มีการปรากฏกลับขึ้นมาเป็นยุคยุคเช่นยุคของสัมมาโกตมะคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ได้ปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งแก่โลกอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็จะเป็นที่พึ่งได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์ไว้ก็ประมาณห้าพันปีที่พึ่งนี้ก็จะหายไปหมดเช่นเดียวกันพวกเราที่มีโอกาสได้มาเจอสะพานได้มาเจอที่พึ่งอันนี้เราจึงควรรีบเดินข้ามสะพานกันใช้สะพานนี้ เชื่อมให้เราเข้าสู่ที่พึ่งที่แท้จริงภายในใจของเราที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันจางหายไป จ, จากใจของเราแต่ถ้าเราไม่เดินข้ามสะพานอันนี้เราก็จะไม่ได้ที่พึ่งที่ถาวรเราก็ยังจะติดอยู่กับโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายติดอยู่ในสังสารวัฏนี้ต่อไป จนกว่าจะมีสะพานอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่เราว่าเราจะข้ามเราจะใช้สะพานนั่นหรือไม่เราอาจจะได้พบสะพานนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยกันก็ได้แต่เนื่องจากว่าทุกครั้งที่เราเจอสะพานนี้แทนที่เราจะเดินข้ามกันเรากลับไม่เดินกันเรากลับสนใจกับการ เดินวนอยู่ในวัฏะแห่งกลางเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะเรายังมีความหลงมีความรักมีความชอบกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัฏนี้เรายังมีความรักความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์พะเรายังมีความรักความชอบในลาบยศสรรเสริญ เรายังมีความรักความชอบในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้จนทำให้เรานี้ไม่สามารถที่จะทิ้งเขาไปได้เพราะการที่จะเดินข้ามสะพานนี้ก็ต้องเชงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไปนั่นเองไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปกับตนได้ สะพานนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่จะเอาไปกับเราได้เช่นลาบยศสรรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกล่างกายเช่นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราต้องการที่จะเดินข้ามสะพานนี้เราต้องไปตัวเปล่าๆไม่สามารถที่จะ เอาสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนี่ติดไปกับเราได้นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรายังวนเวียนติดอยู่กับสังสารวัฏนี้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้และอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอกีกเรื่อยๆก็ได้ถ้าตาดใดที่เรายังไม่ยอมเดินข้ามสะพาน ในโอกาสที่เรามีโอกาสได้พบกับสะพานเพราะเรายังรักยังหวงกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในสังสารวัฏนี้ถ้าเราอยากจะเดินข้ามสะพานเราก็ต้องทาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรมคือทรงพิจารณาเห็น ความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัฏนี้ทุกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรจะดีขนาดไหนจะวิเศษขนาดไหนจะให้ความสุขกับเรามากน้อยขนาดไหนก็ตามเขาก็ต้องมีวันที่จะสิ้นสุดลงมีวันที่จะต้องพัดพากจากกันอยู่ดีพระองค์ทรงเห็นความแก่ เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นความตายและเห็นสำมะนะนักบวชจึงทำให้พระองค์สามารถเลือกทางเดินได้ว่าจะต้องเดินเป็นทางของนักบวชเพราะทางของนักบวชนี่เป็นทางที่จะเดินข้ามสะพานไฟนั่นเองทางของคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็จะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันเส้นสุดดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเดินข้ามสะพานเราต้องมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาอยู่นี่ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่าเขาจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมีวันเสื่อมไป มีวันหมดไปมีวันที่จะต้องจากเราไปหรือมีวันที่เราจะต้องจากเขาไปเวลาที่จะต้องจากกันนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าเราดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและทรงสอนให้เรา ดำเนินกันก็คือให้มันพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดผาคจากกันอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เรานี้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆก็ะจะทำให้เรานี้ไม่อยากที่จะต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆก็จะทำให้เรานี้สามารถปล่อยวางละสิ่งต่างๆ ที่เรารักเราชอบได้เพื่อที่เราจะได้เดินข้ามสะพานไปสู่ว่าที่ไม่มีความทุกข์ว่าที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องของสะพานคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกมีประโยชน์กับเรามากแต่ไม่ได้เป็นสารณะที่พึ่งที่แท้จริงของเรา เราอย่าไปคิดว่าเรามีพระพุทธรูปแล้วเรามีที่พึ่งเรามีหนังสือธรรมะไว้อ่านแนละ้วเราจะมีที่พึ่งเรามีพระสงฆ์อริยเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆคอยสั่งคอยสอนเราว่าเป็นที่พึ่งเพราะท่านไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการที่พึ่งบางทีท่านก็ไม่ได้อยู่ใกล้เราหรือไม่ไม่ได้อยู่กับเรา เราก็จะไม่มีที่พึ่งหนังสือธรรมะก็อาจจะหายไปได้หรือตาของเราอาจจะบอดไม่สามารถอ่านหนังสือธรรมะได้หูจะหนวกไม่สามารถฟังเสียงธรรมได้แล้วตอนนั้นเราจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเรามาสร้างที่พึ่งภายในใจกันที่พึ่งภายในใจนี้จะอยู่กับเรา ไปตลอดสามารถที่จะป้องกันภัยต่างๆทุกต่างๆไม่ให้มาเหยียบย่ำทําลายจิตใจของพวกเราได้ตลอดเวลาเพราะที่พึ่งภายในใจนี้จะอยู่คู่กับใจไปตลอดเวลาไม่มีวันที่จะจากเราไปไม่ว่าเราจะอยู่ในภพไหนชาติไหนก็ตามถ้าเรายังไม่สามารถ ข้ามข้ามฟ้าของการเวียนว่ายตายเกิดได้ธรรมะนี่แหละที่จะเป็นสาระเป็นที่พึ่งของพวกเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราอย่างแท้จริงเราจึงต้องทาความเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจนี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเรา ที่พึ่งของเรานี้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจที่จะเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็ไม่กําจัดไม่จํากัดเพศจํากัดวัยไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวา่าสามารถสร้างที่พึ่งภายในใจนี้ให้เกิดขึ้นได้ทุกคน ถ้ามีความเพียรพยายามถ้ามีการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอริยบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นก็มีทุกประเภทมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งข้ารหัสมีทั้งวรรผชิดมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทุกนูปมีทุกชนิด เพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขามีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแ่สถานภาพของการเป็นบรรพชิตหรือเป็นฆรหันนี้มันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกับเวลาที่เรารักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเรารักษาที่บ้านกับเราไปรักษาที่โรงพยาบาล ความพร้อมมันก็มีไม่เหมือนกันรักษาที่บ้านนี้มันความพร้อมไม่ไม่ดีเท่ากับ ก, บการรักษาที่โรงพยาบาลการสร้างสารณะที่พึ่งทางใจในฐานะของคารวะกับการในฐานะของนักบวชนี้ก็มีความต่างกันถ้าเป็นคารวะท่านยังมีภารกิจอะไรต่างๆมันก็จะ มีอุปสรรคมากมีเวลาน้อยต่อการปฏิบัติแต่ถ้าเป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชก็จะไม่มีภารกิจเอื่นๆที่จะต้องมาเสียเวลาด้วยมีเวลาที่จะบาเพ็ญได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าได้มาเป็นนักบวชแล้วไม่มาบาเพ็ญก็สู้ค่าวว่าที่ถึงแม้ว่าจะมีภารกิจบ้าง แต่ได้บำเพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ได้อย่างนั้นอย่าไปดูที่เพศที่วัยว่าเป็นข้รหัสหรือเป็นบันพชิตว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวสิ่งเหล่านี้แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่มันไม่เหนือความเพียรไปได้ทราบได้ที่มีความเพียร ที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงได้อย่างแน่นอนดังนั้นอย่าไปคำนึงอย่าไปกังวลถึงสถานภาพของตนเองขอให้คำนึงให้กังวลถึงความเพียรของตน ว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ามีน้อยก็ควรที่จะเพิ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าตัดได้ก็ควรจะตัดมันไปถ้ายังตัดไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอุปสรรคมันจะทำให้การเดินทางเนิ่นช้าลงไป อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สุดวิสัยในเรื่องของบุญของกรรมบางท่านก็บรรลุเร็วเช่นพระบางท่านได้ฟังธรรมเด่นก็ได้บรรลุธรรมกันเช่นพระปัญจวคีทั้งห้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยแต่บางท่านนี้ ก็ไม่ได้บรรลุถึงท่านสูงสุดเช่นพระอานนท์พระอานนท์นี้ก็ได้บรรลุท่านพระโสดาบันแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นเพราะต้องติดมีภารกิจที่จะต้องคอยรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ถึงยี่สิบกว่าปีด้วยกันจิตใจก็ไม่ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นไปเพราะไม่มีเวลาไปบําเพ็ญเพียรนั่นเองไม่มีเวลาไปปฏิบัติ เพราะว่าจะต้องเอาเวลามาปฏิบัตรรับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีอยู่แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วพรานนท์ก็เป็นอิสระมีเวลาว่างเต็มที่สามารถบำเพ็ญเพียรได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ จึงทำให้ท่านสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในสามเดือนนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มีบุญมีกรรมมีอุปสรรคมีภาระอะไรต่างๆที่ไม่เท่ากันถ้าเรามีอุปสรรคมีภาระถ้าเราสามารถตัดนั้นได้มันก็จะช่วยทำให้การ ปฏิบัติของเรานี้ให้ได้ผลเร็วขึ้นเราก็ควรจะพิจารณารู ว, ว่าควรจะตัดได้หรือควรจะตัดไม่ได้ควรคำนึงถึงเวลาด้วยว่าเวลาของเราที่จะใช้สะพานนี้มันก็มีจำกัดเพราะถ้าเกิดเราถึงแก่ชีวิตไปหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพ่การไป เราอาจจะไม่สามารถเดินข้ามสะพานอันนี้ไปได้อันนี้เราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูเกี่ยวกับอุปสรรคหรือภาระที่เรายังมีอยู่กับสิ่งที่เราจะได้รับจากการบาเพ็ญจากการปฏิบัติว่าสิ่งไหนสําคัญกว่ากันมีน้ำหนักมากกว่ากันและการที่เราจะตับหรืพอปล่อยภาระต่างๆนี้ ก็ไม่ได้เป็นการตัดแบบไม่มีเยื่อใย ห, หรือจะไม่พบกันอีกต่อไปก็ไม่ใช่เป็นการตัดช่วระยะเวลาที่เราต้องไปบำเพ็ญเพียรเท่านั้นเองหลังจากที่เราเสร็จภารกิจแล้วเราก็กลับมาอยู่กับเราก็มาอยู่หรือมาพบกับบุคคลต่างๆที่เราเคยตัดเคยจากเขาไป แลวเราก็จะกลับมาในในภาพในรูปของผู้ที่มาช่วยเหลือเขาได้มาพาให้เขาเดินข้ามสะพานไปสู่พระนิพพานได้เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงสด็จออกจากพระราชวังพระองค์ก็ส่งตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดตัดพระราชสมบัติตัดพระราชบิดาพระเม่เหสีพระราชโอรสพระมารดาเลี้ยง พยาติทั้งหลายพระองค์ก็ทรงตัดแบบไม่ไม่มีความเหมือนกับไม่มีความเยื่อใยแต่ความจริงความเยื่อใยมีอยู่แต่ความจำเป็นบังคับให้ต้องตัดเพื่อจะได้ไปเปริกวิเวเพื่อที่จะได้ไปบาเพ็ญได้อย่างเต็มที่นั่นเองเพราะการบาเพ็ญเท่านั้ น, ท, น, นที่จะทำให้หลุดพ้นได้ดังที่มีสุภาษิตที่พูดไว้ว่า หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้หลุดพ้นจะด้วยอะไรทั้งนั้นต้องเป็นความเพียรความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นมานั่นเองบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดสติบำเพ็ญเพียรให้เกิดสมาธิบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะหลุดพ้นได้โดยถ่ายเดียว นี่คือเรื่องของคําว่าความเพียรทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ได้หมายความว่าเพียรอย่างเดียวโดยที่ไม่สร้างธรรมะอะไรขึ้นมาธรรมะอย่างอื่นก็สาคัญแต่ธรรมะธรรมะที่สาคัญต่างๆนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีความเพียรที่จะบำเพ็ญที่จะสร้างมันขึ้นมานั่นเองที่เราออกปฏิบัติกันนี้เราก็มาเพียรสร้างสติกัน สร้างสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วเราก็จะสามารถที่จะพิจารณาทางปัญญาได้เห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็จะสามารถที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้และความอย่าง ในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อไม่มีความอยากอยู่ภายในใจก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ภายในใจเจอดขึ้นจากการมีความเพียรปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติทานศีลภาวนานี่คือเรื่องของการที่เราที่จะต้อง สละทุกสิ่งทุกอย่างไปละทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วคราวโดยให้พิจารณาว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมีการพัดพลาดจากกันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมารอพวกเราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วพวกเราที่มาเจอกันทุกเดือนนี้ก็จะไม่ได้เจอกันอีกต่อไปมันเป็นเรื่องปกติของสังสารวัฏ มีเกิดแล้วก็ย่อมมีแกมีเจ็บมีตายถ้าไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับสภาพนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรออกไปปฏิบัติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไปสร้างสติไปสร้างสมาธิไปสร้างปัญญาขึ้นมาเมื่อได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้ว ก็จะได้อาวุธไว้ทาลายตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุที่ดึงให้ใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้าแล้วซ้าอีกอยู่อย่างไม่มีวันกจบสิ้นนี่คือการจากไปจากไปเพียงช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับพระพุทธเจ้าก็เพียงหกปีหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงรับนิมนต์กลับไปโปรด พยาศต่างๆแล้วก็สามารถนำพยาตมาบวช ก, กันนำพระราชาโอรสมาบวช ก, กันแล้วได้ปฏิบัติได้บรรลุ ธ, ธ ร, รรมกันตามลำดับแล้วก็มีพระพุทธมารดาเล้งก็มาขออนุญาตบวชเพื่อปฏิบัติเพื่อหลุดพน้นก็เลยได้เป็นพระเิกสุเมรรูปแรกของพระพุทธศาสนาขึ้นมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สรับ ไม่ได้ไปปีกเว่วไปอยู่ตามลาพังบุคคลเหล่า น, น, นี้จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้อย่างไรเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะมาสั่งมาสอนนั่นเองแต่พอพระพุทธเจ้าทรงตัดทรงตัดทรงทิ้งทุกอย่างไปเพื่อที่จะได้ไปบำเพ็ญอย่างเต็มที่พอได้พบพระนิทานแล้วก็กลับมา ชวนให้พญาตทั้งหลายได้ไปพันิพานกันนี่ดังนั้นเวลาที่เราไปบำเพ็ญขอให้เราคิดอย่างนี้เราไม่ได้ทิ้งเขาเราไปทําหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือทําใจของเราให้หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปสู่ให้เราได้พันิพานมาเป็นสมบัติของเรา พอเราได้แล้วเราก็กลับมาพบกับเขาแล้วก็ช่วยเขาสอนเขาให้เขาได้ประนิพพานมาเป็นสมบัติของเขาต่อไปถ้าเราคิดแบบนี้แล้วการายนี้จะไม่รู้สึกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวจะไม่รู้สึกว่าจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปครูบาอาจารย์ที่ท่านออกบวชกันท่านก็ออกบวชท่านก็ไปบำเพ็ญกัน พอท่านบนรรลุกันท่านก็กลับมาสร้างวัดที่ใกล้บ้านของท่านน่ท่านไม่ได้ไปไหนหรอกหลวงตาก็กลับมาสร้างบ้านสร้างวัดที่วัดป่าบ้านตาัดคูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็กลับมาอยู่ใกล้บ้านเพราะความผูกพันที่มีต่อญาติพี่น้องพ อ, อตอนเองเสร็จภาร ก, กิจของตอนแล้วก็มาทำหน้าที่เผยแพ่สั่งสอนพระธรรมคำสอน ที่เป็นเหมือนสะพานให้พาผู้ที่มีศรัทธาได้เดินข้ามไปสู่พระนิพพานกันนี่คือเรื่องของการสร้างสาระที่พึงทางใจที่เป็นสาระที่แท้จริงวเราทุกคนต้องบำเพ็ญกันต้องปฏิบัติกันต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปกันถ้าเราอยากจะได้สาระนี้ อย่างรวดเร็วที่สุดนะเพราะถ้าเรายังมีกิจต่างๆทำให้เราไปบ้างกลับมาบ้างมันก็เป็นเหมือนกับการเดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังเวลาเราออกไปบำเพ็ญก็เหมือนเราเดินไปข้างหน้าพอเรามีภารกิจที่จะต้องกลับมาดูแลที่บ้านก็เหมือนกับเราเดินถอยหลังมันก็เลยทำให้ การเดินทางของเหลานี้มันเนิ่นช้ามันไม่ควรที่ไม่ไม่ไปให้ถึงเวลเท่าที่ควรนั่นเองแทนที่จะเป็นเจดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีดังที่พระพุทธเจ้าได้ท่งพยากรณ์ไว้ก็อาจจะเป็นสิบปียี่สิบปีก็สุดแท้แต่การเดินทางของแต่ละบุคคลของแต่ละผู้ปฏิบัติจะเดินมากเดินน้อย ก็จะถึงช้าถึงเร็วผู้ที่เดินมากเดินไปข้างหน้ามากกว่าเดินถอยหลังย่อมไปถึงเร็วกว่าผู้ที่เดินถอยหลังมากกว่าเดินไปข้างหน้าดัง น, นั้นก็ให้ดูตรงนี้ดูที่การบาเพ็ญเป็นหลักดูที่การปฏิบัติเป็นหลักว่าเราปฏิบัติไปในทิศทางไหนเราต้องมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมีความอดทนต่อ การกระทบกระทั่งของสิ่งต่างๆเช่คนคายินทาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องคิดว่าเวลาที่เราทุกคนที่เขาว่าเรานี้มาดับความทุกข์ให้เราได้หรือเปล่าถ้าเขาดับความทุกข์ให้เราไม่ได้เราไปกังวลกับคำพูดของเขาทำไมเราควรที่จะมากังวลกับ วิธีการที่จะนาที่จะดับความทุกข์ของเราไม่ดีกว่าเลยเพราะความทุกข์นี้มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาดับความทุกข์ของเราได้นอกจากการปฏิบัติของเรานี้เท่านั้นนั่นคือการสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงค์ขึ้นมาภายในใจเพราะเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็จะสามารถที่จะ ดับความทุกข์ต่างๆได้เราจะทนกับคำา a ร l หา a น i n t ต่างๆได้อย่างสบายจะฟังว่าเป็นเหมือนกับเสียงเสียงลมที่พัดใบไม้ต่างๆนี้เองมันไม่มีสาระแก่นสารแก่นสารอะไรเราไปให้ความหมายมันแล้วก็ไปตื่นเต้นตกใจไปกับความหมายที่เราให้มันเท่านั้นเองความจริงมันก็เป็นเสียงลมพัดดีๆนี่เอง เสียงลมปากของคนออกมาแล้วเราก็ไปเอาความหมายของลมปากนี้มาทิ่มแทงจิตใจของเราด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาเพราะว่าเรายังมีตัณหาความอยากอยากให้เขาชมอยากจะให้เขายกย่องสรรเสริญไม่อยากให้เขาตำหนิตีเตียนว่ากาวต่างๆนั้นนะเพราะเรายังหลงมีอับดตาตัวตนอยู่ในใจ ถ้ายังมีอัตตาตัวตนก็อยากจะให้ตัวตนนี้เป็นตัวตนที่มีคนยกย่องนับถือเชิดชูคารมบูชาจะไม่ชอบให้ตัวตนนี้ถูกเหยียบย่ำด้วยวิธีการต่างๆพระบุตรเจ้าจึงต้องสอนผู้ปฏิบัติว่าต้องทำใจให้เป็นปัพภีให้ได้ทำใจให้เป็นผ้าคีรี อย่าไปถือตัวถือตนว่าเหยียบไม่ได้ถือให้ถือว่าเป็นปัตภีเป็นพื้นดินที่ใครก็เหยียบย่ำได้ใครจะอุจจระปัสสะใส่ก็ย่มทาได้เห็นไหมสุนักเวลามันอยากจะอุจจระมันปัสสะมันไปอุดจระปัสสะที่ไหนมันก็ไปอุจจระปัสสะบนปัตภีบนพื้นดินนี่ถ้าพื้นดินมันบอกไม่ได้นี่จะทำยังไง มันก็ต้องแผ่นดินไหวเท่านั้นมันถึงจะถึงจะใจของเราก็เป็นอย่างนั้นพอใครด่าหน่อยใครว่าหน่อยก็เป็นแผ่นดินไหวขึ้นมาเลยอ <c oughs> ตะไม่ไดต้ตัวนี้ตัวนี้ต้องยกย่องเชิดชูเพียงอย่างเดียวต้องชมต้องสรรเสริญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น <c oughs> พอใครมาว่ามาตําหนิหน่อยเท่านั้นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเลย นี่เราต้องมากลต่าจาจะเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องทนต่อการเสียดสีเสียดทางอะไรต่างๆที่จะมาจากทุกสารทิศบุคคลเหล่า น, นี้เขาเขาทําอะไรให้กับเราบ้างเขาดับความทุกข์ให้เราได้หรือเปล่าเขาช่วยให้เราไปถึงพระนิพพานได้หรือเปล่าถ้าเราไปกังวลกับเขาทําไมเขาจะมาเสียดสีเสียดแทงว่ากล่าวตีเตียนอย่างไร มันก็นเป็นขอให้เราคิดว่าเป็นเสียงลมเสียงนกเสียงกาไปครับแล้วกันเราต้องมองที่เหตุที่ผลของเราที่เราออกปฏิบัติเพื่ออะไรเราออกปฏิบัติเพื่อนิพพานเราไม่ได้ออกไปปฏิบัติตามที่เขาตำหนิติเตียนเขาไม่รู้เรื่องของเรายังเขาจะว่าอย่างไรก็อย่าไปเสียเวลาเหมือนกับไปอธิบาย ให้คนตาบอดให้เห็นว่าสีแดงสีเขียวเป็นยังไงอธิบายไปจนมันตายมันก็มองไม่เห็นว้าคนตาบอดลองหลับตาดูซิมันจะเห็นสีอะไรมันก็เห็นสีดำเท่านั้นเองยังคนที่ไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องของการปฏิบัติไม่รู้เรื่องของการปีกวิเวกไม่รู้เรื่องของการบำเพ็ญเพียรตามลำพังเขาจะไม่รู้ความหมายความสำปะ ความสำคัญความจำเป็นของการบำเพ็ญเขาก็จะพูดไปตามภาษาของเขาเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กไร้เดียงสาเด็กไร้ปัญญาเด็กไร้ปัญญามันจะพูดอะไรก็เราก็ไม่ถือสามันเพราะเรารู้ว่ามันมันไร้เดียงสานั่นเองแต่ในบุคคลที่ไม่รู้ทำไม่รู้คุณค่าของการบำเพ็ญของการปฏิบัติ ก็เป็นเหมือนเด็กไรเดียงสาที่เราไม่ควรที่จะให้ความสําคัญเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเท่านั้นเองอย่าไปเสียเวลาอธิบายอธิบายให้คนตาบอดเห็นสีเขียวสีแดงนี่มันยากมันเป็นไปไม่ได้อธิบายให้คนเห็นคุณค่าของการสละครอบครัวสละลูกสละสามีสละภรรยาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อไปบำเพ็ญนี้ อธิบายงไนเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จะว่าเราบ้าเท่านั้นแหละเนี่ยเพราะเราไม่เหมือนเขาเขาก็เลยต้องว่าเราบ้าถ้าเราเหมือนเขาเราก็ไม่บ้าแต่ความจริงถ้าเราเหมือนเขาเราก็บ้าไปเหมือนกับเขาเงียเวลาที่เราไม่บ้าเหมือนกับเขาเราไม่บ้าเขาเนี่ยบ้าแต่เขากลับมาว่าเราบ้าเพราะเขาคิดว่าเขาไม่บ้าแต่ความจริงแล้วใครบ้าหรือไม่บ้าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พวกเรากับพระพุทธเจ้านี้ใครบ้าหรือใครไม่บ้ากันเนี่ยเรายังบ้าราบยศสรรเสริญศุกกันอยู่ไม่ใช่หรอพระพุทธเจ้าช่านบ้าราบยศสรรเสริญสุกรือเปล่าท่านบ้าสามีบ้าภรรยาบ้าบุตรที่ดหรือเปล่านั่นแหะใครบ้ากันเนี่ยอย่างนั้นอย่าไปฟังคนบ้าพูดให้ฟังคนไม่บ้าพูดให้ฟังพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ให้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า ฝังคำสอนของพระอริยสงสารบอกเป็นคำสอนของคนไม่บ้าขคนจะเป็นคำสอนของคนที่มีสติคบบริบูรณ์แะเป็นคำสอนที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงให้เราได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดขอให้เรายึดตรงนี้คิดตรงนี้ ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงค์ที่เป็นสะพานเชื่อมสู่พระพุทธพรธรรมพระสงค์ที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นภายในใจของเราด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วนําเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เดินข้ามสะพานนี้เข้าสู่พระนิพพานไปในที่สุดก็ขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ําเสมอ น, นี้ ขอให้ท่านได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่อเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงกพ็พาพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอนยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาขลรัง เอวเมวะอิโตทิน so ัางเปตานังอุปกาตปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจฉตุสภเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติอระโสยธัสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตผวะตวันตาโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนาสีฤิสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวาทานติอายุวัโนสุขังทาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ท่านปู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ขอเรียนโอกาสค่ะขอถามค่ะคือมันเป็นความฝันฝันว่าไปตื่นขึ้นมาที่หนึ่งที่นั่นวุ่นวายด้วยทุกๆคนเนี่ยหาอยู่หากินจนรู้สึกว่าเดือดร้อนมากลำคาญ อ, อึดอัดเป็นทุกข์มาก ก็เลยแอบนี้ออกมาร้องไห้แล้วก็หนีออกมาแต่พอหนีออกมาได้ปุ๊บก็ต้องมาสุดตรงที่ว่าต้องมานั่งหันหลังให้กับปัญหาหน้ามองออกไปที่ออทะเลทะเลนี่เป็นทะเลที่กว้างใหญ่ลึกสวยนิ่งทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราภาวนาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อคะ ก็อย่าไปสนใจมันไงเพราะนี้มันเป็นไม่ใช่ทางที่เราควรจะไปทางแห่งนิมิตต่างๆนี่ไม่ใช่เป็นทางสู่พระนิพพานเราควรที่จะดึงใจกับเข้ามาสู่ที่ความว่างความสงบให้สักแต่ว่ารู้แล้วก็อย่าไปสนใจกับนิมิตต่างๆที่ปรากฏมาให้รับรู้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผล นิมิต ท, ที่เราต้องการก็คือความเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นของเราถ้าเห็นนิมิตเหล่านั้นก็เอามาเจริญต่อมาพัฒนาต่อให้มันตั้งอยู่ในใจของเราไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของสัพเพเหระแบบนี้เป็นเหมือนกับดูละครดูหนังก็ดูจบแล้วก็ลืมมันไป มันไม่มีสาระคุณประโยชน์ต่อการบําเพ็ญเพื่อการดุดพ้นจากกองทุกข์ได้นิมิตที่เราต้องการจะเห็นเช่นอสุภานิมิตนี่ถ้าเห็นซากศพเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่างนี้อย่างเงี้ยดีท่านนิมิตแบบนี้เป็นนิมิตที่เป็นมรรคเป็นผลได้ แต่ถ้านิมิตแบบท้องฟ้าทะเลกว้างใหญ่ไพศานะลนั้นเราต้อมาตีความหมายว่ามันเป็นอะไรนี่มันไม่ไม่ใช่เป็นมรรเป็นผลนั้นอย่าไปสนใจกับมันให้กลับมาสู่ความสงบสู่ความว่างเพราะการนั่งสมาธินี้เราต้องการพักผ่อนจิตใจเพราะว่าเราจะต้องเอาจิตใจนี้ไปทํางานไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราก็คือกิเลสตัณหาต่างๆ เวลาที่เราออกมาจากสมาธิแล้วนี้เราจะต้องพบกับขั้ขาศึกศัตรูของเราคือความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆถ้าเราไม่มีกําลัง <c oughs> เราจะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาที่พระเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรานี้มาสู้กับข้าศึกศัตรูได้เราโชคดีเราไม่ต้องผลิตอาวุธของเราขึ้นมาเอง เราเอาอาวุธที่พระพุทธเจ้าผลิตมาแล้วนี้เอามาใช้ได้เลยด้วยการเอามาเจริญอยู่เรื่อยๆที่ทรงสอนให้เจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆเจริญนอนนุสติอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นการเอาอาวุธของพระพุทธเจ้ามาไว้กับตัวเราแล้วพอเราออกจากสมาธิเราจะจะมีกำลังใช้อาวุธนี้ไว้ต่อสู้กับ ปัญหาความอยากต่างๆเวลามันพผลขึ้นมาเวลามันอยากได้อะไรพอมันคิดถึงความตายปั๊บนี่ความอยากมันก็จะหายไปมันคิดถึงความทุกข์จากสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะหายไปถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นยาพิษนี่เรายังจะอยากได้หรือเปล่าปัญหาคือเราอยากได้แล้วยังอยากได้เพราะเราไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษ เราเห็นว่ามันเป็นเหมือนขนมนมเหนยหน่ากินน่ารับประทานแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นยาพิษมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไปเราไม่สามารถท่ามันได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะสามารถหยุดความอยากได้ถ้าเรามี กำลังของสมาธิมาช่วยสนับสนุนเพราะการหยุดความอยากก็คือการทำใจให้เฉยนั่นเองทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยไม่รักไม่ชังไม่อยากได้ไม่อยากเสียคกอเฉยเฉยเสียก็ได้ได้ก็ได้แต่ไม่มีความอยากที่จะได้หรือจะเสียจะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็ต้องเข้าไปในสมาธิให้ใจนิ่งให้สงบไม่มีความคิดปรงแต่ง ถ้าใจเข้าไปแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี่ก็แสดงว่าใจเริ่มมีความคิดปรุงแต่งแล้วเพราะนี่มิตรต่างๆเนี้มันก็เกิดมาจากความคิดปรุงแต่งของใจเหล่านี้เองมันไม่ได้มาจากที่ไหนถ้าไปอยู่กับสมาธิแบบนี้ออกมาจากสมาธิก็จะไม่มีเรื่อวไม่มีแรงไม่มีอุบเบกขาเพราะใจมันไม่ได้นิ่งมันไม่ได้อยู่ในอุบเบกขามันปรุงแต่งนิมิตต่างๆออกมาหลอกเราให้เราหลง ไปกับมันเท่านั้นเองดังนั้นเวลาเจอนิมิตต่างๆนี่ขอให้เราโยนทิ้งไปได้เลยยกเว้นถ้าเป็นอสุภานิมิตมรนานินมิตอย่างนี้เห็นเรานอนตายอย่างนี้เห็นเรากลายเป็นซากศพเขาเอาศพเราไปเผาในเตาจนกระทั่งกายเป็นขี้เท้าขี้ฐานไปอย่างนั้นน่ะเอามาใช้ได้เอามาพิจารณาต่อเอามาดูซ้ําแล้วซ้ำํำอีกเหมือนกับ เอาหนังเก่าเนี่ยมาใช้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจำได้หมดว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรบ้างแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปไปอาศัยดูหนังเพราะมันอยู่ในความจำของเราแล้วเวลาเห็นร่างกายนาที่ไรก็เห็นว่ามันเป็นสร้างสขเห็นว่ามันเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไปกลัวความตายได้อย่างไรเพราะมันรู้ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละ ถ้าจะเป็นนิมิตขอให้เป็นนิมิตแบบนี้นิมิต ท, ที่อยู่ในกรอบของกายรักนิมิต ท, ที่อยู่ในกรอบของอรสุภาถ้าติดขนมนมเนยอาหารก็ต้องเห็นปฏิกูลของอาหารเห็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นอาจมกลายเป็นอาเจียนเวลาอาเจียนออกมากลายเป็นอุจจาร ะ, ะเวลาขับถ่ายออกมาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วความอยากกินอาหารกินขนมน ม, นมเนย ไม่ไม่มีเวล่ำเวลามันก็จะไม่มีการรับประทานอาหารมันก็จะรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ไปได้เท่านั้นแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขของใจนี่คือเรื่องวิธีของการภาวนานั่งสมาธินี้เราต้องการความสงบต้องการความว่างต้องการโอบเบคาไม่ต้องการลิมิตต่ตางๆถ้ า, ถามีก็อย่าไปสนใจเดินใจกลับเข้าไปสู่ความว่างให้ได้ ด้วยการภาวนาต่อถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไปถ้าใช้ลมหายใจก็กลับมาดูลมต่อไปถ้าใช้สติดึงใจได้ก็ดึงมันกลับเข้ามาแล้วแต่กำลังของเราแล้วแต่เครื่องมือของที่เรามีอยู่แต่อย่าไปไหลาตามดูนิมิตเหมือนกับดูภาพยนตร์มันก็เหมือนกับเปิดทีวีดูดีๆนี่เองไม่ต้องไปนั่งสมาธิเสียเวลา ข้อสองค่ะคือว่าจะเวลานั่งเดินจมกรมเสร็จปุ๊บกลับไปนั่งสมาธิเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกับเบาสบายแต่พอนั่งไปใด้สักพักหนึ่งมันเหมือนกดบอลลงน้ำอะค่ะเมื่อจะโดนมันก็จะโดนดีดแล้วก็เด้งออกมามันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ต่อเนื่องคุณทราบไหมคราบเมือ่อกิเลกิเลสมันดันใจเราออกไงแล้วสติเราดึงมันเข้าไป พอฝ่ายไหนฝ่มีกำลังอ่อนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะดันออกมาพอสติเราอ่อนเราเราไม่เราไม่เจริญอย่างต่อเนื่องกิเลสนันที่ดันอยู่มันก็จะดันใจออกมามันก็จะทำให้เวลานั่งเรารู้สึกอึดอัด น, นั่งไม่ได้แต่ถ้ามีสติที่มีกำลังมากกว่ามันก็จะทำให้นั่งเฉยๆได้นั่งสงบได้นั่งสบายได้ สันติจะมีกำลังมากก็ต่อเมื่อเรามีการมีการเจริญอย่างต่อเนื่องไม่พังไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากําหนดให้ใจเจริญอยู่เช่นพุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าอย่างนี้แล้วสตินันจะมีกำลังมากกว่ามันจะทำให้การนั่งนิสบายไม่รู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเผลอสติ พอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันจะอึดอัดในที่สุดมันก็ต้องลุกขึ้นไปพอลุกขึ้นไปมันได้ผ่อนคลาย ก, กำลังของกิเลสมันก็เบาลงเพราะมันได้เหมือนกับน้าเดือดถ้าเรามีรูให้มันให้น้ำที่มันเดือดมีรูระบายออกมาความดันในน้ำนในในกามันก็จะไม่แรงแต่ถ้าปิด ประตูแม่มันมีออกมาเดี๋ยวมันก็ระเบิดฟ้ามันก็จะเด้งออกมาเพราะมันจะสะสมความดันไว้มากเหมือนกันเวลาเรานั่งแล้วเราทนนั่งไม่ได้ก็แสดงว่าความดันของกิเลสนี่มันแรงอ่ะพอเราลุกออกมาเดยวนี่เหมือนก็เหมือนกับทายมันได้บได้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยรู้สึกเบาพอเบาแล้วเราก็เจริญสติได้เพราะเพราะว่าเรา เมื่อก่อนสู้ไม่ได้สู้มันไม่ได้หรือสติล้มตายไปพอมันเบาสติก็มีกําลังพอที่จะกลับคืนมาได้ก็จะลังสติต่อแล้วก็กลับไปนั่งได้ใหม่นั่งได้สักพักหนึงพอสติสู้กิเลสไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไปจะหลับกันไปจนกว่าสติจะมีกําลังมากกว่าจนสามารถดันมันเข้าไปสู่ความสงบความว่างได้ไปอยู่ไปสื่ความนิ่งได้มันก็ มันก็มันก็ไม่ต้องใช้กําลังดันมันเข้าไปการกิเลสมันก็ยังจะมีอยู่ทุกครั้งเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้ตายไปกับาการเจริญสติการเจริญสมาธิถ้าอยากจะให้กิเลสนี้มันหมดฤท่นหมดเดช ก, ก็ต้องใช้ปัญญาเวลาออกมาแล้วก็พิจารณาใจรับพิจารณาสุภาพพิจารณาปฏิกูล ของอาหารเวลาที่เกิดความอยากในสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะฆ่าตันหาความอยากต่างๆไปได้อย่างถาวรแล้วต่อไปจะนั่งสมาธิดีไม่ต้องบังคับเลยนั่งหลับตากําหนดใจให้นิ่งไม่คิดมันก็เข้าไปสู่ความสงบได้เพราะมันไม่มีไม่มีตัวดันออกมาแล้วตัวที่ดันออกนี้ถูกทําลายไปหมดแล้วต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านคะ่ะ คำถามแรกจากผู้ฝากถามที่บ้านสั่งหนูว่าให้มาวัดให้น้อยลงเดือนละครั้งก็พอเนื่องจากพ่อเป็นโรคซึมเศร้าหนูควรจะอยู่กับพ่อและที่บ้านบอกว่าพ่อเป็นหนักขึ้นเพราะหนูไปแต่วัดไม่สนใจพ่อไม่ยอมอยู่บ้านทําให้พ่อเป็นห่วงเพราะวัดที่หนูไปนั้นไกลบ้านปกติที่บ้านก็มีญาติอยู่กันเยอะค่ะ แลหนูก็กลับบ้านทุกวันจะมาวัดก็แค่ช่วงวันหยุดแต่ที่บ้านก็บอกว่ามาบ่อยเกินไปกราบขอพระอาจารย์เมตตาให้คําแนะนําด้วยค่ะมันก็เราก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าความสําคัญมันอยู่ตรงไหนน้ําหนักควรจะไปทางด้านไหนถ้าเราต้องการทำเราก็ต้องไปวัดถ้าเราต้องการอยู่ใกล้พ่อเราก็อยู่บ้าน ถือว่าถ้าเรากลัวคำการอาหารนินทากลัวเขาว่าเราอะไรต้องทำตามที่เขาพูดเราก็ต้องอยู่บ้านแต่ถ้าเราไม่สนใจคิดว่าคำพูดของเขาเป็นคาพูดที่ไม่มีเหตุไม่มีผลคือเราอยู่หรือเราไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรพ่อก็มีคนดูแลอยู่เราก็ไม่ได้ทำอะไรนั้นการไปของเราก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายอะไร ที่เสียหายก็อาจจะเป็นความทุกข์ของพ่อที่อยากจะให้เราอยู่ใกล้อันนี้มันก็เป็นกิเลส ข, ของพ่อความอยากให้ลูกอยู่ใกล้ตนแต่อยู่ใกล้ไมงั้นก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับพ่อเพราะฉะนั้นเราดูที่ประโยชน์ดีกว่าว่าการอยู่ใกล้นั้นทำให้เกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่เกิดประโยชน์อยู่ก็เท่านั้นไม่อยู่ก็เท่านั้นก็ไปดีกว่า แต่ถ้าอยู่ใกล้แล้วเป็นประโยชน์ช่วยดูแลพ่อพาอไม่มีใครดูแลอย่างนี้ก็ต้องอยู่ใกล้แต่ถ้าอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับไม่ได้อยู่ก็ไปไม่ดีกว่าแนละ้วไปจะได้ธรรมะได้ไปบาเพ็ญได้ไปฟังเทศฟังธรรมได้ไปปฏิบัติธรรม คำถามต่อไปจากคุณอนิจจังเวลาที่เราไม่สบายเช่นปวดหัวมีไข้เป็นหวัดหรือมีน้ำมูกไหลหรือเจ็บป่วยอื่นๆเราจะภาวนาอย่างไรครับก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บเป็นธรรมดาเวลาเจ็บถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป ก็เท่านั้นเพราะมันเป็นอนั้ตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้เหมือนกับเสียงตอนนี้เสียงจักระจันที่มันร้องเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเราสั่งให้มันหายไปได้หรือเปล่าสั่งไม่ได้แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันหายเราจะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากให้มันหายนี่เราจะเดือดร้อนทันทีเช่นเดียวกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราอยากจะให้มันหาย ใครทุกข์อ่ะเราก็ทุกข์กันเสิแต่ถ้าเราไม่ไม่อยากให้มันหายมันเป็นก็เป็นไปเรามีหน้าที่รักษามันก็รักษามันไปมันหายก็หายมันไม่หายก็อยู่กับมันไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่ทุกข์กับมันเหมือนกับไม่เหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคําถามต่อไปจากคุณกระเตน มีคนเขาบอกว่าอาหารที่มนุษย์กินอยู่ทุกวันนี้คือเรากินเนื้อเขาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่เราต้องเป็นหนี้ชีวิตเขาพกชาติต่อไปเราก็จะถูกเขากินเช่นกันเป็นอย่างนั้นไหมคะมันก็แล้วแต่ว่าเราไปเกิดเป็นอะไรฮถ้าเราเกิดไปเป็นเป็ดเป็นไก่เขาก็กินเราแน่ๆนะ่ <laughs> ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีใครเขากินมนุษย์เนี่ยนอกจากไปอยู่ไปอยู่ว่าพวกชาวป่าชาวเขาที่เขามีธรรมเนียมกินเนื้อมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็ต้องถูกเขากินกินก็กินเดี๋ยวเวลาตายไปเราจะไปรู้หรือว่าใครเอา้าวร่างกายนี้เราไปทําอะไรเอีร่างกายเราใครจะไปกินเอาไปทําอะไรมันก็ร่างกายมันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องเหล่านี้ ให้กังวลว่าเราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกันแล้วกันเราอย่าไปฆ่าจา ก, การกินเนื้อสัตว์เนี่ยโดยที่เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนี่ไม่ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไม่เป็นบาปเช่นไก่มันตายเราก็มีทางเลือกว่าจะไปฝังมันไปเผามันหรือไปย่างมัน คำถามต่อไปจากคุณตะวันการติดดีและการไม่ติดดีคืออย่างไรแล้วเราแก้การติดดีอย่างไรครับคือการติดดีก็เหมือนกับคนไข้ติดยาเนี่ยถ้ายังมีไข่อยู่การติดยานี้มันก็ดีใช่ไหมต้องกินยามันถึงจะหายไข้แต่ถ้าหายไข้แล้วยังไปติดยาอยู่มันก็ไม่ดีมันไม่จําเป็นจะต้องกินแล้วก็อยากไปกินเหมือน พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านละได้ทั้งบุญและทั้งบาปแต่ตอนที่ท่านยังไม่บรรลุท่านยังต้องติดบุญอยู่ก่อนติดความดีอยู่ก่อนเพราะความดีจะพาให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์พอท่านหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วท่านก็ไม่ติดกับการทําความดีทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ในของพระตอนต้นพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยว่าไม่ไปสอนดีกว่าอสอนแล้วมันเหนื่อย สอนแล้วมันยากสอนแล้วไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าก็เลยท้อก็ไทยไม่อยากจะสอนอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนี่ัแต่ถ้าไปติดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อยากจะสอนเขาอยากจะให้เขาบรรลุพอสอนแล้วเขาไม่บรรลุ ก, ก็เลยท้อก็เลยโกรธอย่างนี้แต่อังนี้มันก็ผิด แต่ถ้าสอนโดยที่ไม่ได้ติดความดีจากการสอนสอนไปก็เหมือนกับเราให้ของดีกับเขาไปเช่นเรามีเงินเราก็เอาไปแจกคนไหนไม่เอาเราก็เก็บไว้คนไหนเอาก็ให้เขาไปก็ไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนเท่านั้นเองนี่คือการทำความดีโดยไม่ติดกับการทำความดีโดยติดนี่มันต่างกันพอติดแล้วมันต้องการให้ได้ผลดังใจที่ต้องการพอไม่ได้ก็จะ ทุกจะเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าทำความดีโดยไม่ติดนี่ก็จะไม่ทุกข์ทำทำให้เขาแล้วเขาเขาได้ดีก็ดีไปเขาไม่ได้ดีก็เรื่องของเขาคำถามต่อไปจากคุณเทพบ้านค่ายผมเลี้ยงปลาไว้กินเองก่อนนำมาทำอาหารผมก็ต้องฆ่ามันผมบาปหรือเปล่าครับ ก็ค่ามันก็บาปนะไงปานาติปาตาเวลัมณีการค่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นบาปไม่ควรกระทาครับถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อแรกภาวนาแล้วรู้สึกความคิดแยกออกจากกันคือความคิดยังทำงานใจที่บริกรรมมีอยู่ผู้รู้มีอยู่แสดงว่าจิตไม่สงบเต็มที่ใช่ไหมครับใช่ ใจยังคิดอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบถ้าสงบแล้วความคิดก็จะหายไปคำบริกรรมก็จะหายไปเหลือแต่ใจผู้รู้อยู่ตามลำพังข้อที่สองภาวนาเจออดีตเช่นคนที่เราเคยโกรธเขามากๆเขาตายไปแล้ว เราต้องหยุดแผ่เมตตาให้ไหมครับหรือไม่สนใจเลยอยู่กับบริกรรมมันอยากแผ่เมตตาแต่กลัวไม่ได้อะไรสักอย่างเอออย่าไปสนใจเวลาภาวนานี้ให้สนใจอยู่การภาวนาเพียงอย่างเดียวเรื่องอื่นนี้เอาไว้ทีหลังตอนนี้เราต้องการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวและจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเราภาวนาอยู่กับคำบริกรรมของเราไปเรื่อยๆข้อที่สาม กรรมที่เคยทำมากๆเรื่องกรรมที่ใจรู้สึกชอบในอดีตถึงมันจะไม่ได้มีผลทําให้ใจเราตกแต่มันปรากฏชัดมากเหมือนหนังที่ฉายได้ต้องเพิกหรือละเสียหรือถ้าดูได้ให้ดูไปมีอุบายกับการปรากฏเช่นนี้บ้างไหมครับถ้าใจมันส่งไปอดีตหรือไปอนาคตก็ควรจะดึงให้มันกลับมาที่ปัจจุบัน ก็ใช้สติเนี่ยแหละใช้การบริกรรมพุทโธไปแล้วใจที่มันไปควายคว้าหาอาดีตหรืออนาคตมันก็จะต้องกลับมาที่ปัจจุบันอดีตก็เป็นความฝันอนาคตก็เป็นความเพอ้อความจริงก็คือปัจจุบันเท่านั้นเองงั้นให้อยู่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้จะเป็นที่ตั้งของความสุขข้อที่สี่เหมือนจิตมันเล่นละครได้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิต รู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบมีรูปร่างมีเพศรู้สึกเขาจะอ่านใจเราได้มีมายาผมเพิกไปเสียอย่างนี้เกิดขึ้นได้ไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นไปในจิตก็อย่าไปสนใจมันขอให้พิจารณาว่ามันเป็นใจลับไปหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีสาระแก่นสารไม่มีคุณมีค่ากับการบาเพ็ญมรรคผลนิพพาน ถ้าเราไปยุ่งกับมันนะเราก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆข้อที่ห้าผมอยากทราบว่าถ้าดูหนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติสำหรับวันที่ถือศีลแปล ส, สมควรไหมครับถ้าเป็นการศึกษาก็ไม่ไม่เสียหายเลยเพราะเป็นเหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาพระพุทธประวัติก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งใช้ได้ ฟังทำดูวิดีโอเกี่ยวกับธรรมะดูหนังเกี่ยวกับองค์คุลิมานี้ก็ยังพอจะดูได้คำ <c oughs> ถามต่อไปจากคุณกัญญาขอโอกาสถามขยายต่อเรื่องอุบายสู้เวทนาเกี่ยวกับการใช้สติปฐานเข้าพิจารณาว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรข้อแรกของโยมท่องพุโทโธแต่พอภาวนาเริ่มมาให้มองพุโทโธ หรืหากว่าตอนนั้นจิตทิ้งพุโทโธแล้วกําลังดูลมหายใจก็ให้ละเสียแล้หันมาพิจารณาเวทนาใช่หรือไม่คะไม่ใช่หรอกเวลาภาวนาอะไรก็ให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วปล่อยวางองค์ภาวนาไป ปล่อยวางลมหรือปล่อยวางพุโทโธไปจิตเข้าสู่ความสงบก็ปล่อยให้จิตสงบนิ่งส่วนเรื่องของการพิจารณาเวทนานี้ก็จะต้องพิจารณาตอนที่นั่งแล้วจิตไม่สงบแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าอยากจะนั่งต่อไปโดยที่ไม่สะทกสะท้านต่อความทุกข์ของร่างกายก็ต้องใช้การเจริญสติ เป็นวิธีหนึ่งคือให้เราบริกรรมพุโทโธต่อไปไม่ให้ไปสนใจกับลมกับความทุกข์ของร่างกายถ้าเราไม่ไปสนใจแล้วจิตมีการบริกรรมอย่างต่อเนื่องความทุกข์ของร่างกายก็จะไม่เข้ามาสู่ใจจะอยู่ที่ร่างกายใจจะไม่ทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายใจก็จะนั่งสมนั่งภาวนาต่อไปได้ใจเข้าสู่ความสงบได้ผ่านทุกขเวทนาไปได้ ด้วยการใช้คำบริกรรมนี่เรียกว่าวิธีวิธีปฏิบัติต่อทุกขเวทนาทางกายด้วยการใช้การเจริญสติถ้าเราอยากจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าที่ถาวรก็คือให้เราใช้ปัญญาพิจารณาทุกขเวทนาของร่างกายว่าเป็นไปรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาหาย เป็นนัตตาเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาหายไม่ได้ถ้าเราเห็นอ น, นิจจังทุกขังขาอนัตตาในไประเห็นในทุกขเวทนาเราก็จะสักแต่ว่ารู้เกิดจะไม่อยากให้เขาหายเพราะรู้ว่าสั่งเขาไม่ได้แล้วก็รู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวเาก็หายเองเขาจะหายก็หายเขาจะตั้งอยู่ก็ปล่อยเขาตั้งอยู่ไปคือเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาปล่อยเขา เหมือนกับคนมาด่าเราแล้วก็นั่งเฉยๆปล่อยให้เขาด่าไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองทำตัวให้เราเป็นเหมือนต้นเสานีให้ได้ถ้าเราเป็นต้นเสาได้ใครไปนั่งด่าเสาสักพักเดี๋ยวมันก็เบื่อเอง <c oughs> <c oughs> เอาใจานะหมนั่นแหละก็อีกวิธีหนึ่งวิธีต่อการปฏิบัติทุกข เ, เวทนาคือสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันหายสั่งเขาไม่ได้ทาได้ก็คือทนไป วิธีทนไปก็จะใช้การบริกรรมช่วยก็ได้แต่ น, นี่มันเป็นช่วยเพื่อให้ให้รักษาปัญญาคือไม่ให้ใจไปต่อต้านไปยากให้มันหายไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าต่อไปเราจะไม่สะทกสะทานต่อความเจ็บปวดของร่างกายเพราะใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกาย คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามขณะกำหนดภาวนาจิตเริ่มรวมสักพักมีสภาวะหนักๆขึ้นมาความรู้สึกจากเบาๆ เ, เปลี่ยนเป็นหนาหนักล้อมรอบตัวมีเสียงบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรต้องพิจารณาอย่างไรต่อเจ้าคะก็พิจารณาว่าจิตไม่สงบแล้วต้องควรจะกลับเข้าสู่ความสงบใหม่ก <c oughs> ็ภาวนาใหม่ <c oughs> คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามผมทำผิดศีลข้อสามมาเป็นเวลาเกือบสิบปีทั้งๆ ท, ท, ที่ผมก็รู้ว่าผิดผมอยากเลิกทำผิดแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถเลิกทำผิดได้จิตใจผมไม่เข้มแข็งพอผมควรทำอย่างไรดีครับไป บ, บวชน <laughs> คำถามต่อไปจากคุณรณชัยเวลานั่งสมาธิจิตสงบลงบางครั้งจะรู้สึกกายเบาชั่วขณะและรับรู้อาการของกายเช่นนั่งก้มหน้านั่งเอียงลักษณะนี้เรียกว่าสภาวะธรรมใช่หรือไม่ครับจะมีสติรับรู้ตลอดเวลาแบบนี้เดินทางถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องควรทําอย่างไรต่อครับ และถ้าผิดควรแก้ไขอย่างไรครับมันไม่ใช่เป็นวิธีของการภาวนาการภาวนานี่เราต้องอยู่กับอารมณ์ของการภาวนาถ้าเราภาวนาพุโทโธก็ต้องอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวอย่าไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าไปรับรู้แล้วจิตก็จะไม่สงบ ก, ก็เหมือนกับเราไม่ได้ภาวนานั่นเองเวลาภาวนานี้จิตต้องเป็นหนึ่งจิตจะเป็นหนึ่งได้จะต้องอยู่กับเรื่องเดียว จะอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวจิตถึงจะรวมเข้าไปสู่ความสงบได้ถ้าบอกไปรับรู้เรื่องต่างๆนั้นก็ถือว่าจิตเผลอสติแล้วไม่มีสติแล้วเมื่อไม่มีสติก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ดั้นต้องพยายามดึงจิตให้อยู่ก็ติดอยู่กับการภาวนาเพียงอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณภาวนาอนาถบินทิกาเศรษฐีได้ไปค้าขายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคือจนบรรลุเป็นพระโสดาบันและเมื่อนางวิสาขาอายุได้เจ็ดขวบพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรร ม, มเทศนาเธอฟังเมื่อจบลงก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันดังนั้นเมื่อได้บรรลุเป็น โซดาบานแล้วแสดงว่าทั้งสองคนต้องได้สมาธิมาก่อนใช่ไหมคะเ็ื่อได้ขณะที่ฟังก็ได้ถ้าตั้งจิตตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังทำแล้วก็เข้าใจทุกขั้นตอนแล้วก็สามารถใช้ปัญญานั้นตัดกิเลสได้ละสักกายทิฐิได้ก็บรรลุได้ เขาถามต่อว่าและในขณะที่บรรลุธรรมนั้นจิตของท่านทั้งสองต้องลงถึงอัปปนาสมาธิใช่หรือไม่คะวเวลาฟังนี้จิตอยู่ปะจิตอยู่ในสภาพปกติแต่พอบรรลุธรรมแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาได้ทันทีเพราะจิตปล่อยวางละตันหาความอยากต่างๆในระดับของพระโสดาบันไดละความอยากในร่างกายในเวทนา ได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้เพราะเห็นว่าการยึดการติดการอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าไม่ต้องการจะมีความทุกข์ใจก็ปล่อยวางความอยากนั้นปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นอย่างไรก็ไม่กังวล เวทนาจะสุขจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่กังวลนี่ก็เรียกว่าเห็นอริยสัจเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากในร่างกายกับความอยากในเวทนาที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราที่เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้พอไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปสั่งเขาไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็สบาย เขาถามต่อว่าและเมื่อได้ความสุขถึงขั้นนั้นแล้วทำไมท่านทั้งสองไม่บวชและบาเพ็ญจนถึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ละคะทั้งๆ ท, ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลคนแต่ละคนก็ยังมีมีมีกรรมมีอะไรต่างๆมีพันธะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันคนบางคนบรรลุเป็นโสดาบาันอย่างพระ อานอน์ก็ติดอยู่กับพระพุทธเจ้าถึงยี่สิบกว่าปีถึงแม่บวชก็ไม่ได้ปฏิบัตินะก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แต่พอพระพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธ์พันธ์พานไปแล้วก็มีเวลาไปบำเพ็ญก็บรรลุได้ยิงนั้นแต่ละคนภาวะของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าได้โสดาบันแล้วรับร อ, องได้ว่าไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากอย่างถ้าชาติที่สุดก็เจ็ดชาตินะ ต้องไปถึงวันที่ผ่านแต่ถ้ายังถ้ายังไม่ถึงก็ไม่เสียหายอะไรคือมันจะต้องไปแน่ๆเองแต่จะช้าหรือเร็วอาจจะมีเรื่องพันธะมีหน้าที่การงานมีบุคคลเช่นอาจจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สองคนพ่อแม่ไม่มีใครเลี้ยงนี่เราจะไปทิ้งท่านได้อย่างไรนนอกจากเอาไปบวชก็เรา ไปบวชแล้วก็ขออาศัยอาหารบินทบาตเอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างนี้ก็บวชได้นี่มันแต่ละคนมันมีพันธะกรณีต่างกันมันจึงทําให้การปฏิบัติของแต่ละคนนี่ช้าเร็วต่างกันแต่ที่แน่นอนก็คือถ้าได้เข้าได้เป็นโสดาบัตรแล้วก็เข้าสู่กระแสแล้วถ้าเป็นการขับรถเดินทางก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้ว นี่จะขับเร็วขับช้าเท่านั้นเองก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่ น, นอนไม่หลงทางนะหมดคำถามพอดีใครอยากจะถามอีกไหมบนนี้ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิง่งขึ้นไปเถอ